ขอทออบน้อมพระรัตนไตัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออากาศหลวงพ่อกรมพระจันยุกิพระจ า, ย, ะจาย์มโน์พระจารย์วัฒนชัยแล้วก็เพื่อนทางธรรมีทุกท่านนะเจริญในธรมธรมสามเณรสามเณรีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนนั่งกันฟังตามสบายนะอนั่งดูกายนั่งดูใจนะของเราเองฟังทัก ฟังทำก็ให้เป็นส่วนประกอบนะแต่ให้นั่งดูกายดูใจของเรานี่ยแหละเป็นหลักนะฟังทำรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราดูกายดูใจของเราได้นะอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปเป็นกับกายกับใจนะนะอันนั้นอนะ่ะอันนั้นดีกว่านะอย่างวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปไปเยี่ยม พระนะท่านเมื่อวานนี้ทำงานแนละ้วก็ตกรถนิดหน่อยนะก็หัวหัวโนนะแต่อาการไม่เป็นอะไรนะเอ็กซเรคอมพิวเตอร์ดูก็ไม่ไม่มีรอยรา้าหรือว่าไม่มีน้ำข้างเลือดข้างอะไรต่างๆงก็ถือว่าปลอดภัยนะอีกวันสองวันก็น่าจะกลับวัดได้นะก็ไปดูท่านนะ ท่านก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่สบายมากนะโยมที่ขับรถแล้วก็แล้วท่านก็ตกรถเพราะว่าโยมคนนี้ขับไปพอท่านเจอหน้าโยมที่ขับรถนะสิ่งที่ท่านบอกว่าโยมไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจนะอาตมาไม่เป็นอะไรน ะ, ะโยมไม่ต้องกังวลให้โยมสบายใจได้น ะ, ะคือคนคือคนที่ ปกติคนที่สบายนะไปเยี่ยมคนป่วยแต่คนป่วยต้องปอกนะให้สบายใจนะแทนที่คนที่เจ็บตัวนะเขาจะเจ็บใจหรือว่าทุกข์ใจทําไมขับรถแบบนี้ทําให้ฉันตกฉันทำให้ฉันเจ็บนะท่านไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่ท่านยังเป็นห่วงนะเป็นห่วงคนที่ที่เหมือนกันๆก็ไม่ได้ตั้งใจนะที่จะทําให้ท่านเจ็บนะแต่ก็มันเป็นอุบัติเหตุนะ ทำให้เกิดตกรถขึ้นมานะท่านก็ทําหน้าที่ปลอบใจนะหรือว่าให้สตินะเตือนให้คนขับมีสติกลับมาอย่าไปทุกข์อย่าไปกงังวลเพราะโยมเองก็ทุกขนะ์เนาะเ อ, อพอได้ข่าวว่า อ, อหัวกระโหลกร้าหรือเปล่าต้องไปผ่าตัดหรือเปล่านี่ยจิตตกละจิตตกะกังวลน ะ, ล อ, นละอืมแต่จริงก็ บางทีข่าวมันก็ไม่ได้กรองนะอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ใจเราเนี่ยมันตกไปก่อนนะพอใจเราคิดว่าเป็นหนักหรือว่าเป็นมากหรือว่าคิดมาโทษว่าเป็นชั้นนะ่ะทําให้ท่านเจ็บเนี่ยเราทุกข์แต่ตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นอาจจะทุกข์แต่กายที่เจ็บนะ่ะแต่ใจก็เออก็ดูไปเรื่อยๆนะไม่เป็นอะไรมากก็ก็ดีแล้วแหลนะน่ะ ก็ดีทั้งตัวท่านเองที่ ท, ที่ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ดีทั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะ <c oughs> ก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลใจแต่ประสบการณ์ที่ได้ก็เห็นว่าบางทีแม้คนที่เขาเจ็บเจ็บกายนะอืมต้องตกรถต้องเจ็บหัวแต่ถ้ามีสตินะระดับหนึ่งนะก็ออยังน้อยก็ปลอบใจคนที่ไม่เจ็บได้ <c oughs> คนที่เป็นผู้กรณีก็ทําให้ปลอบใจได้ เหมือนอย่างที่อาตมาเองก็ดูหลวงพ่อคําเขียนนะหลวงพ่อท่านก็ป่วยมาร่วมหกเดือนกว่าแล้ะเหลือจะมากคกนนั้นถ้ารวมตั้งแต่ตอนเข้าก่อนเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะนะคนที่มาแล้วหลวงพ่อเขียนเขียนธรรมะตอบโดยเฉพาก่อนที่หลวงพ่อจะพูดไม่ได้สิ่งที่ท่านพูดกับโยมหรือพูดกับพระที่มาเยี่ยมก็ มีแต่ปอบคนที่มาเยี่ยมไม่ใช่ว่าคนมาเยี่ยมให้กําลังใจหลวงพ่อนะแต่ที่จริงคนมาเยี่ยมพอมาเห็นหลวงพ่อพอได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อหรือได้อ่านธรรมะจากหลวงพ่อหลายคนก็ได้กําลังใจกลับไปนะให้ได้กําลังใจจากอะไรก็คือว่าพอเห็นคนป่วยนะเห็นคนที่เขาทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะ มันมีกำลังใจที่เออขนาดท่านเจ็บขนาดนี้ท่านก็ยังให้สติเตือนเราไม่ให้หลงไม่ให้ทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนได้จากตรงนั้นแต่ถ้าคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเองนะไปห่วงแทนคนป่วยนะไปห่วงมากว่าทำไงนอท่านถึงจะหายทำไงนอท่านถึงจะดีกว่านี้ก็คิดได้นะแต่อย่าไปทุกข์แทนท่านนะหรือว่า เห็นท่านเจ็บมากๆก็อย่าไปเจ็บแทนท่านนะเพราะไม่งั้นนะแทนที่เราจะช่วยท่านนะกลายเป็นเราก็ทำร้ายตัวเองนะให้ทุกข์นะแล้วการที่เราทำร้ายตัวเองให้ทุกข์ท่านเห็นท่านอาจจะทุกข์ไม่ถึงท่านคงไม่ได้ทุกข์แทนเราหรอกแต่ท่านอาจจะอืมคนนี้ช่วยยากเนาะนะแทนที่หลวงพ่อเตือนเราแล้ ว, ลวนะหรือบอกเราแล้ ว, ลวนะเราก็น่าจะได้สติกับมาว่าเออ เราอย่าไปทุกแทนแทนร่างกายของท่านเพราะที่จริงแล้วคนเราเนาะมันช่วยกันยากจริงๆน ะ, นะตัวใครตัวมันจริงๆนะแต่ตัวใครตัวมันแบบไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเพราะเอาที่สุดเอาจริงๆแล้วแม้คนที่เรารักแม้คนที่เราห่วงแม้คนที่เราห่วงขนาดไหนเนี่ยเราก็ช่วยเขาได้แค่แค่ระดับใดระดับหนึ่งใช่ไหเหมือนหมอแม้จะดูแล คนป่วยดีขนาดไหนมันก็ดูแลได้เพียงแค่การให้ยาให้การรักษาที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ทั้งหมดเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลลูกนะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งอยากให้ลูกได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ต้องการเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละนะ แต่มันก็ไม่ใช่จะทําได้ทั้งหมดใช่ไมืมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมันเป็นความผิดของเรานะแต่บางสิ่งที่เราต้องการอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างเป็นอย่างที่เราต้องการก็ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะกําหนดไม่ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เออหลายคนถ้าไม่ได้ตระหนักตรงนี้เนะก็จะทุกข์นะก็จะทุกข์เพราะตรงนี้นะ ออกมาเคื่อว่าหลายคนนะก็มีความไม่อยากจะเจ็บนะเคยอ่านสัมภาษณ์ของของคนที่มีชื่อเสียงรวยคนหนึ่งเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเนะี่ยไม่ไม่เคยออกกําลังกายนะแต่พอไปเยี่ยมคนคนหนึ่งที่เขาเจ็บหนักแล้วเขารู้สึกตะหนักเลยว่าเขาไม่อยากเจ็บแบบนี้หลังจากนั้นนะเขาจะออกกําลังกายทุกวันวันละหลายชั่วโมงเพราะว่าอยากจะให้ไม่เจ็บ คือเราก็ดูว่าธรรมชาติของของคนเราเนาะมีการเกิดเนี่ยเป็นธรรมดามีความแก่เนี่ยเป็นธรรมดามีความเจ็บนะก็เป็นธรรมดามีความตายถึงที่สุดก็มีความตายเป็นธรรมดาแต่เกิดเนี่ยเราเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้นะแก่เนี่ยคงต้องแก่อยู่แล้วแหละผ่านวันผ่านคืนไปเรื่อยก็ต้องแก่ขึ้นเรื่อยๆนะตายนี่ก็คงหนีไม่พ้นก็พอเข้าใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากเจอก็คือความเจ็บใช่ไหมเออเกิดแก่แล้วก็ตายเลยถ้าตายแบบไม่เจ็บนี่ถือว่าดีใช่ไหมแต่เราก็อาจจะเลือกไม่ได้นะหลายคนไม่พอทาใจได้เรื่องเรื่องจะให้ตายแต่เรื่องจะให้เจ็บทรมานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันทุกข์เนาะ่าก็หลายคนก็ไม่อยากเจอตรงนั้นแต่เราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลือกไม่ได้แม้คนที่ออกรังกายดีที่สุด แม้คนที่ทานอาหารสุขภาพมากขนาดไหนแม้คนไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแต่บางทีเราก็อาจจะหนีความเจ็บหนีโรคร้ายไม่ได้นะแม้เราทําเหตุอย่างดีที่สุดแล้วนะแต่เหตุมันก็มีหลายอย่างมากนะเหตุมีหลายอย่างมากอาจจะเกิดจากวิวากกรรมเก่าอาจจะเกิดจากออุตุนิยามนะดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากพันธุ ก, กรรมเก่าๆจะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ แล้จะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะหลายอย่างมากเพราะเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องอจินไตเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคิดได้แต่ถ้าเราเจอเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้นะแต่ถ้าเราไม่ทําใจเนะี่ยถ้าเราไปคิดว่าทําไมต้องเป็นเราด้วยเนี่ยเราก็ทุกข์ใจนะแต่ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเรารับเรายอมรับมันได้เนะี่ยเราไม่ทุกนะอืมเราไม่ทุกอย่างเช่นตัวอย่าง อย่างพระที่ท่านตกรถน่ะถ้าท่านยอมรับได้เออมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะเราก็เจ็บแล้วนะไม่ต้องไปโทษคนอื่นว่าทําให้ตัวเองเจ็บเนะี่ยใจก็ไม่ทุกข์นะแล้วใจที่ไม่ทุกข์ก็ช่วยให้คนที่เขาเกี่ยวข้องไม่ทุกข์ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าตัวของเราเองทุกข์แล้วก็ไปโทษแต่คนอื่นว่าทํามีส่วนทําให้เราทุกข์เนะี่ยตัวเราเองก็เศร้าหมองคนอื่นเขาก็คอยเศร้าหมองหรือว่าทุกข์ไปด้วย นั้นใจที่ที่ยอมรับความจริงได้เนะี่ยจะช่วยให้เราไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้นะไม่ต้องแก่ขึ้นทุกวันทุกวันหรือแม้แต่ต้องเจ็บนะจะมากจะน้อยเราก็เลือกไม่ได้เนาะหลายคนก็ไม่อยากเจ็บนั่นแหละแต่บางทีมันก็เลือกไม่ได้นะหรือสุดท้ายเราก็ต้องตายกันทุกคนนั่นแหละนะ เราก็จะอยู่กับตรงส่วนที่ไม่ทุกตรงนี้ได้นะถ้าเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆนะนะเราก็จะเข้าใจความจริงตัวนี้นะแล้วก็จิตมันก็จะยอมรับความจริงตัวนี้แล้วก็เกิดการปล่อยวางก็ตรงนี้นะการปล่อยวางนี่มันไม่ใช่เกิดมา ล, ลอยๆแต่เกิดจากการที่เราฝึกจิตฝึกใจนี่แหละนะให้เข้าใจความจริงของของชีวิตนะ ความจริงของชีวิตก็อย่างที่บอก่เราบังคับไม่ได้นะแม้เราจะทําอะไรดีที่สุดก็ตามแต่เราก็บังคับทุกอย่างให้มันดีอย่างที่เราต้องการไม่ได้เรามาอยู่ที่นี่นะประทับใจคําพูดของหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนหลายหลา ย, หลายปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็จะทํางานตอนที่ร่างกายของหลวงพ่อแข็งแรงนะหลวงพ่อก็จะทํางานในเชิงเหมือนพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างไปด้วยรวมทั้งการสอนกรรมฐานสอนธรรมะที่เป็นงานหลักด้วยนะแต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นพระที่แบบจะสอนแต่ธรรมะแบบให้ปฏิบัติทำภาคในรูปแบบอย่างเดียวแต่ท่านก็ยังสอนให้คนรู้จักแบบรักษาสิ่งแวดล้อมสอนให้คนคล้ายๆมีการพัฒนาชุมชนในชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยแต่หลงพ่อก็บอกว่าน่ะ หลวพ่อก็ทําเต็มที่นะนะเช่นดูแลป่าเนี่ยโอ้ดูแลป่าป่าไม้ก็ถูกตัดนะป่าไม้ก็ถูกตัดลงไปเยอะเลยสัตว์ป่านี้ก็หายไปเยอะเลยแต่ก่อนเคยมีช้างมีเก้งมีควางตอนนี้ก็หายไปหมดเหลือแต่สัตว์เล็กๆน้อยๆหรือบางทีฉันสอนคนนะสอนให้คนรักษาศีลห้าไม่ให้กินเหล้าเมายาไม่ให้ติดการพนันไม่ให้หลงกับอบายมุข พ่อท่านก็บอกว่าท่านก็ทำเต็มที่นะนะรักษาป่าก็รักษาเต็มที่ดูแลสัตว์ปกป้องสัตว์ก็ทำเต็มที่สอนคนให้ไม่ติดกับอบายามุขท่านก็ทำเต็มที่นะแต่ทำแล้วมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะทำแล้วป่าไม้ก็ยังล่อยหลอลงไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่สัตว์ป่าก็ตายไปเรื่อยๆหรือทำเท่าไหร่คนก็ยังกินเหล้าเมา เมายาหรือว่ายังติดการพนันอยู่ทําไปเรื่อยท่านบอกว่างานที่หลวงพ่อทนะําน่ะมันล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อเองไม่ได้ล้มเหลวใช่ไ <c oughs> หมคือเราไม่ใช่เอาเอาตัวเราไปผูกกับที่งานแต่หลายคนเนะี่ยพองานที่เราทํามันล้มเหลวเนะี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทุกข์กับงานที่มันล้มเหลวตามไปด้วย เคยไหมบางทีเราเลี้ยงลูกนะแต่จากลูกมันไม่ได้ดังใจนะลูกก็ไปติดเกมติดการพ น, นันหรือว่าไม่ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งนะแทนที่นะเราจะเออเราทําเต็มที่แล้วนะอแต่มันยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราก็ยังไม่คิดอย่างนั้นบางทีเราก็ทุกข์ใจเนาะอืทุกข์ใจว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้นใช่ไหม แต่คำพูดของหลวงพ่อเนะบอกงานที่หลวงพ่อทนะําเนี่ยนะมันล้มเหลวก็จริงนะแต่หลวงพ่อเองไม่ได้ล้มเหลวก็คืออะไรแต่การพูดแบบนี้ไม่ใช่การปล่อยวางแบบปล่อยทิ้งปล่อยคลัง่งเลิกเลิกเลิกสอนเลิกบอกหรือว่าเลิกทําแล้วนะไม่ใช่แต่เป็นการพูดแบบนี้หรือการคิดแบบเนี้เป็นการเป็นการทําใจยอมรับว่าเออความจริงตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่สําเร็จอาจจะยังล้มเหลวอยู่ แต่ความจริงแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่าความผิดของเราเราทำเต็มที่แล้วนะมันได้ผลแค่นี้เราก็อย่าไปบิดอย่าไปทุกข์กับมันมีโอกาสเราก็ทำอีกไปเรื่อยทำจนทั้งตายแม้นลวงพ่อบอกติปีที่แล้วนะบอกว่างานมันล้มเหลวปลูกป่าก็ถูกต้นไม้ตัดแต่ท่านก็ไม่เลิกปลูกป่านะอืมอ่าท่านก็ยังทำอยู่ปลูกป่าลดน้าต้นไม้ให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์อย่างดี สอนธรรมะสอนในคนรักษาศีลสอนในคนมีธรรมแม้คนยังสูบบุหรี่ยังกินเหล้ายังติดการพนันหรือยังหลงขาดสติอยู่ก็นะออยังสอนก็ยังทําอยู่คือการการปล่อยวางหรือการปงอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่ว่าเราปล่อยวางเราปงแล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะเราทําเหตุด้วยเหมือนกันนะเราก็ทําเหตุไปเรื่อยๆ แต่ใจเราเนี่ยยอมรับความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละนะมันก็ตอนนี้มันเป็นเช่นนั้นนะก็อย่างที่บอกว่าเราเองอะช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกนะ่ะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยนะก็ไม่มีคนอื่นช่วยเราได้จริงๆนะนะ่ะคนอื่นอาจจะพอช่วยเราได้ Million นิดๆหน่อยๆภายนอกนะ่ะแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองเนี่ยนะอยากที่คนอื่นจะช่วยนะนะเช่นเราไม่สบายนะ หมอเขาให้ยาถ้าเราไม่กินยาเนี่ยมันจะหายไหมมันจะดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเราเบื่ออาหารเราไม่อยากกินข้าวนะไม่อยากกินน้ำมันจะดีขึ้นไหมใช่ไหมเราไม่สบายเราก็คิดมากนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็พักผ่อนไม่เพียงพอการขับการถ่ายก็ไม่ปกติร่างกายก็ยิ่งไม่สบายไปด้วยใช่ไมอันนี้ใครจะช่วยเราได้นะหมอก็ช่วยเราไม่ได้นะญาติก็ช่วยเราไม่ได้ นะเพื่อนเราลูกเราแฟนเราก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองใช่ไหมอันเนี้แม้แต่ร่างกายนะนะเราก็ต้องช่วยตัวเราเองแม้แต่เด็กๆกันนะพ่อแม่เอานมให้เขากินเนาะถ้าเขาไม่ดูดเนี่ยนะนะเขาก็ไม่สามารถที่จะโตได้เนาะใช่ไหมอันนี้เราต้องช่วยตัวเราเองนะเราก็ช่วยตัวเราเองจนทั้งโตมาขนาดเนี้ยแหละนะแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือ เราก็ต้องช่วยใจของเราเองด้วยนะใจของเราเองนี่แหละถ้าเราไม่รู้จกักฝึกไม่รู้จักหัดไม่รู้จักพัฒนานะโอ้ยากที่จะหาคนอื่นช่วยนะเวลาเราต้องเจ็บหนักเวลาเราต้อง อ, อกหักเวลาเราต้องเราต้องของเราหายเวลาเราต้องตายนะี่ยากนะที่จะหาคนอื่นช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวของเราเองการที่จะช่วยตัวเราเองเราจะช่วยแบบไหนนะ สิ่งที่เรามาทําในตอนนี้ยคือการช่วยตัวเราเองนะนะการฝึกการหัดปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการช่วยนะตัวเราเองนะอย่าไปคิดว่าตอนนี้ฉันยังไม่แก่นะตอนนี้ฉันยังไม่เจ็บตอนนี้ฉันยังสุขสบายดีนะตอนนี้ฉันยังไม่ใกล้จะตายดอกนะอย่าไคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นนะชื่อว่าเป็นการคิดแบบคนประมาทนะคิดแบบประมาทก็คือว่า เราคิดประมาทว่าเราคงมีชีวิตอยู่อีกหลายปีนะหรือว่าเราคิดประมาทว่าเราคงไม่เจ็บไม่ง่ายหรอกนะหรือเราคงมีเวลาอีกหลายปีหรอกจะไม่แก่หรอกทำงานก่อนเที่ยวสนุกก่อนหรือว่าเสพสุขทางโลกให้เยอะๆก่อนพอเบื่อหน่ายแล้วค่อยมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมถ้าคิดแบบนั้นนะชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทนะหรือแม้แต่ บางทีเรามาอยู่วัดเรามาปฏิบัติธรรมก็จริงนะแต่ถ้าเราประมาทในการอยู่ที่วัดในการบวชก็ดีในการปฏิบัติธรรมก็ดีนะก็ยังขึ้นชื่อว่าประมาทอยู่นะแม้บางทีเราเดินจงกรมแม้เราสร้างจังหวะแม้เรานั่งสมาธิแต่ถ้าเราปล่อยจิตให้มกมุ่นคุ้นคิดเนะี่ยก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ประมาทนะนะผู้ที่ไม่ประมาทก็คืออะไรก็คือมีสติรู้ทัน นะรู้ทันว่ากายตอนนี้นะทำอะไรอยู่นะจะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำกวาดลานวัดทำอาหารทำอะไรต่างๆพยายามรู้ตัวให้ได้มากที่สุดกายทำอะไรเนะี่ยมีสติคอยรูนะ้ดูไปตั้งแต่ตื่นจนทังหลับเลยเนะี่ยชื่อว่าไม่ประมาทใจก็เหมือนกันใจพอหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องอะไรเนะี่ยมีสติเร็วๆ รู้ทันเร็วๆนะคือเราห้ามความคิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรารู้ทันเร็วๆนะแต่บางทีถ้าเราแม้ยกมือสร้างจังหวะอยู่แต่ถ้าใจยังปล่อยให้ไปคิดนะถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะจะเรื่องดีก็ตามเรื่องร้ายก็ตามถ้าใจยังหมกมุ่นคุ้คิดนะชื่อว่าประมาทนะประมาทนะถ้านอนก่อนนอน ก็เก็บไปคิดเก็บไปฝันก็ยังชื่อว่าประมาทอยู่นะหรือถ้าเรายังเห็นแก่ปาเห็นแต่ท้องเห็นกับการกินสนุกสนานกับการพูดคุยนะหรือว่าสนุกสนานกับการเล่นนะก็ยังชื่อว่าประมาทนะนะทนั้นชีวิตที่ประมาทเนะี่ยเป็นชีวิตที่เรียกว่ามันน่าเสียดายที่เราได้เกิดมานะน่าเสียดายที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีน่าเสียดายที่เราได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรม ได้มาอยู่วัดก็ดีนะมันน่าเสียดายนะอืมบางทีเพราะอะไรเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นหลายหลายเท่านะหลายคนเนี่ยต้องหมกมุ่นกับการงานนะวันๆต้องตื่นแต่เช้าไปทางานกลับมาก็เหนื่อยล้านะสิ่งที่ได้ก็คือได้เงินได้ทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีนะ ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเนี่ยแต่ด้วยนานหรือสั้นก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราดองตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆในพรรานี้ก็ดีหรือแม้แต่ในช่วงวันหยุดดองบิ๊กเอ็นนี้ก็ดีนะลองตั้งใจตั้งใจดูตัวเองจริงๆดูสินะลองตั้งใจดูจริงๆนะสิทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นแบบไหนดูกายเขาเคลื่อนไหว ดูกายเขาเจ็บปวดดูกายเขาปวดเมื่อยดูกายเขาง่วงนอนดูเป็นไหมอืมดูมันนะไม่ใช่เราจริงๆหรอกนะดูดูเ้าง่วงนะเดินไปมันง่วงขนาดไหนก็ดูไปเลยนะอืมมันเจ็บขาเจ็บแขนขนาดไหนก็ดูมันไปเลยนะมันปวดท้องก็ดูไปเลยนะดูไปแต่ก็เปลี่ยนได้นะก็เปลี่ยนได้นะแต่ง่วงนอนไม่ใช่เปลี่ยนไปนอนนะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเดินบ้าง กิจกรรมบ้างเลยนะนะปวดขาก็เปลี่ยนได้นะก็เปลี่ยนท่านั่งบ้างแต่เราก็พยายามดูไปทั้งวันทั้งคืนนี่แหละดูไปเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นว่าโอ้กลายมันเป็นทุกข์แบบนี้เนาะเอมันเป็นทุกข์กายนี่ดูจริงๆเห็นทุกข์เห็นทุกข์ได้ชัดเลยนะโยมนะกายนี่ดูยังไงก็เห็นเป็นก้อนทุกข์นะแต่ก่อนเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยอยากจะให้กายมันสุขสบายใช่ไหม อยากไปกินอาหารอร่อยเพื่ออะไรหวังให้ลิ้นมันมีความสุข <c oughs> ลิ้นมันมีความสุขชั่วคราวแหละแปบ๊บเดียวนะแต่เป็นสุขชั่วคราวนะอืมอยากไปนอนแช่น้ําอุน่นนอนในห้องแอร์ให้เย็นสบายให้สบายหวังให้กายมีความสุขนะแต่จริงสุขชั่วคราวนิดนิเหนื่อยหน่อยแต่โดยกายจริงๆมาเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์นะกินอิ่มขนาดไหนนะกินอิ่มมากเกินไปก็ทุกข์อีก กินเสร็จแล้วก็ต้องไปถ่ายนะหายใจเข้าเราว่าสบายสบายในะหายใจเข้าสดชื่นลองหายใจเข้าดึกๆึกนานนานทุกนะอ่าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ทุกกายเรามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราเห็นก็กายมีทุกข์เนะี่ยมันถึงจะเกิดการที่เรียกว่านะไม่ยึดมัน่นถือมั่นในกายได้แต่ถ้าเรายังหลงในกายนะหลงในรูปอยู่เนะี่ยมันก็ยัง จะต้องบนเวียนบนไหว้ใยเกิดอยู่แบบเนี้ยดั่มไปเพราะอะไรเรายังคิดว่ากายเนี้ยมันนํามาซึ่งความสุขหลายคนไม่กลัวการเกิดใหม่เพราะอะไรคิดว่าตัวเองจะทําบุญดีๆนะเดี๋ยวได้เกิดบนสวรรค์ <c oughs> เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาคงสบายกว่า น, นี้นะหรือคิดว่าจะทําบุญให้มันดีกว่า น, นี้เกิดมาชาติหน่าจะได้เป็นเศรษฐีนะคิดว่าเศรษฐีเขาจะสบายนะไปดูดีๆเถอะเศรษฐี นอนไม่ดับก็เยอะนะโยมนะอืเยอะแยะมากมายคือเรายัางคิดว่ากายเนี้ยบางทีถ้าเราไปเกิดในที่ดีดเกิดในภพดีๆมันจะสร้างสุขมาให้เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของกายว่าแท้ที่จริงแล้วกายยังไงมันก็เป็นตัวทุกข์เพราะอะไรกายมันประกอบด้วยธาตุนะธาตุสีดินน้ําลมไฟเนะี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันเสื่อมไปทุกอย่างนั่นแหละนะ ไม่มีอะไรที่คงที่แน่นอนเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันทุกข์มันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะร่างกายที่เคยว่าแข็งแรงขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บสุดท้ายก็ต้องตายไปเราดูไปเรื่อยนะ่ะดูกายมันเป็นทุกข์ดูไปเฮ้ยเราเปลี่ยนเรียบวต่างๆก็เพื่อแก้ทุกข์นะอืมเราจะนั่งนิ่งๆมันไม่นิ่งหรอกเราขยับนิดหน่อยเพื่อแก้ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะหายใจเข้าหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ นะเคลื่อนไหวมือก็เพื่อแก้ทุกข์น่ะกินดื่มขับถ่ายยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นโอ้กลายมันเป็นตัวทุกข์เมื่อไรที่เราเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์น่ะเมื่อนั้นจิตมันจะคลายการยึดมั่นน่ะถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราออกไปได้น่ะกายเนี่ยมันเห็นทุกข์ได้ชัดเจนเลยน่ะดูไปดีๆีน่ะเมื่อมันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นน่ะดีแล้วน่ะดูไปเลยดูไปเลยอย่าไปปฏิเสธมันน่ะ ถือว่าเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้กายเขสอนความจริงแล้วนะยอมรับไปเลยดูไปเลยนะดูกา ย, ยให้เห็นแบบนี้เห็นทุกชัดๆหรือบางคนก็เห็นการบังคับไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปของมันไปด้วยก็ดูไปเลยนะดูได้ชัดในแง่มุมไหนก็ดูไปเลยนะอีกสิ่งหนึ่งดูใจของเราด้นะใจเนี่ย ใจวันวันหนึ่งน่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะมาตลกเหมือนกันนะมีตอนนั้นฉันอาหารอยู่นะฉันอาหารนะฉันอาหารโอ้ก็มีพระโดนเลยต้องบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะอิ่มข้าวแล้วพอบอกว่าเอมีทุเรียนฉันไหมบอกตอนแรกบอกฉันอาหารบอกอิ่มอิ่มไม่เอาแล้วพอพอพอพอทุดเรียนมาหรือว่ามามามามาทั้งทั้งที่เมื่อกี้ยังพูดว่าพอพอพออยู่นะ พอตัวเรียนมาก็มามามามานะแต่ไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่คือให้เห็นว่าธรรมชาติบางทีมันเปลี่ยนแปลงเร็วเร็วนะความคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่านะไม่เกี่ยวว่าธรรมะสูงหรือต่ำนะั่นไม่ใช่นะแต่คือให้เห็นว่าจิตจิตมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากบางทีเมื่อกี้เราบอกว่าไม่อยากแต่พอเห็นบางอย่างก็บอกว่าอยากทันทีก็มีนะ เหมือนไหมเหมือนบางทีเราเห็นคนบางคนบางครั้งเราก็ชอบเขามากๆแต่บางวันเราก็เกลียดเขามากๆนะมันไม่แน่นะจิตมันไม่แน่ไม่นอนนะบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็ซึมไม่รู้เป็นทำไมถึงซึมแต่บางวันก็อมยิ้มในใจตลอดเวลามันยิ้มมีความสุขของมันเองก็มีนะมันไม่ใช่อะไรดอกนะ ธรรมชาติของเขามันเป็นของเขาเองนะมันเป็นของเขาเองเราดูสลดูจิตดูใจเน lle, ี่ยพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะเห็นนะมันเห็น้ะไม่ใช่ไปทุกข์กับมันนะเห็นนะไปลองดูมันแบบตะลกตะลกนะโอ้มันมอนเปลี่ยนเดรยวแบบนี้เนาะเออตลกตะลกไปฮนะไม่ใช่ไปเครียดว่อทำไมฉันเมื่อกี้ฉันไม่อยากตอ น, นฉันอยากแล้วไม่ใช่ไปเครียดนะแต่มันถึงว่าเออเห็นแล้วก็ตะลกกระดกกับมันเออมันบังคับไม่ได้เนาะ มันเปลี่ยนแปลงของมันเองนะอืมถ้าเราดูมันในแง่มุมนี้นะโอ้ดูจิตดูใจเนี่ยโอ้ดูเห็นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เอาแน่ไม่ได้จิตเนี่ยเป็นเอาแน่ไม่ได้เลยนะอืมมาก็พอพูดถึงนังเนี้นะคิดถึงคำหลวงพ่ออ่หลวงพ่อคําเขียนนะท่านบอกว่าจิตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจริงจริงมันเป็นเหมือนโสเพณีจิต เผื่อไปนจิตคืออะไรจิตมัน ส, สนับสนมันสับสนในแง่ไหนมันไม่ใช่ไปอ่ามั่วเพศทางอื่นนะแต่มันคือมันไปมั่วกับความคิดนเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายนะเดี๋ยวก็คิดสุขเดี๋ยวก็คิดทุกข์มันมั่วจริงๆนะเคยไหมบางครั้งเราก็คิดดีมากๆโอ้ยฉันทําไมใจดีใจบุญขนาดนี้แต่บางทีก็คิดร้ายคิดด่ามกสกโปก จะไปฆ่าจะไปทำร้ายคนอื่นก็ยังมีนะจิตเนี่ยโอ้หลวงพ่อเปรียบเทียบ เ, เห็นภาพใช่เลยว่าโสเพณีจิตจิตมัน ส, สนับสนคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้เราดูไปแบบนี้นะน่ะดูไปเลยจิตมันเป็นแบบนี้ถ้าเราเห็นว่าจิตมันเป็นมัน ส, สนับสนเอาแน่ไม่ได้เนี่ยมันจะจางคายจากการยึดมั่นถือมั่นในความคิดในความเห็นในความรู้สึกของเราเองนะเพราะถ้าเมื่อไหรที่เราไปยึดมั่น ถือมั่นในจิตเนี่ยเมื่อไดจิตมันดีเราก็คอยสุขคอยหลงไปด้วยเมื่อใรที่จิตมันร้ายเราก็คอยทุกข์คอยเศร้าหมองไปด้วยไม่ใช่นะนะอันนั้นเรียกว่าเป็นผู้เป็นนะคอยเป็นสุขคอยเป็นทุกข์นะคอยดีใจคอยเสียใจแต่ถ้าเรามีสติดูเนี่ยเห็นเห็นอะไรเห็นจิตมันคิดเห็นจิตมันเศร้าเห็นจิตมันยิ้ม เห็นจิตมันสนุกเห็นจิตมันฟุ้งซ่านนะเห็นจิตมันมีอกุศลเห็นจิตมันมีกุศลดูไปแบบนั้นอ๋อมันไม่ใช่เรามันเป็นจิตนะถ้ามีสติมันจะเห็นมบบนะ้นอ๋อเห็นเฮ้ยอันนั้นเป็นเรื่องของกายเนาะกายมันเจ็บกายมันเดินกายมันนั่งกายมันทุกข์น่ะจิตมันคิดจิตมันสุขจิตมันทุกข์ จิตมันฟุ้งซ่านจิตมันสงบจิตมันมีปิติเราดูไปให้เห็นแบบนี้แหละเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของทุกอย่างเลยนะจี่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเหมือนปิรามิดนะสามเหลี่ยมนะสามด้านนะด้านหนึ่งเห็นด้านที่มันเป็นทุกข์ด้านที่สองเห็นด้านที่มันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เออเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังนะ ด้านที่สามเนี่ยเป็นหน้านที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนดูพีระมิดสามด้านนะโยมนะดูด้านไหนก็ได้นะดูดูที่ไหนดูที่กายดูที่ใจนี่แหละมาแสดงความจริงตัเนีน้ตลอดเวลาเลยนะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นตรงนี้นะเพื่อเราเข้าใจตัวนี้นะเราจะเกิดการคล้ายๆปล่อยวางกับเรื่องต่างๆได้ได้มากขึ้นนะหรือว่าได้ง่ายขึ้นนี่แหละคือ อันในส่งของการการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนาะชีวิตของเราเองนะไหนไหนก็ได้เกิดมาแล้วเนี่ยจะเกิดมาเพราะความไม่รู้นะ อ, อ่เราก็เกิดมาด้วยความไม่รู้หรืออาจจะรู้มากรู้น้อยแตกต่างกันแต่ถ้าเราตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมนะเราก็สามารถที่จะทําให้จิตที่มันไม่รู้จิตที่มันหลงเนะี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจิตตรงเนี้ยให้เป็นจิตที่รู้นะ รู้ตัวเองนะรู้กายรู้ใจจนกระทั่งการรู้กายรู้ใจบ่อยๆเนี่ยทําให้เรารู้ธรรมะนะรู้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ต้องไปเห็นอะไรดีๆทั้งหมดนะยิ่งรู้ธรรมะจริงๆคือรู้กิเลสที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะรู้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายก็ดีรู้กิเลสที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ดีนั่นแหละคือการรู้ธรรมะนะเพราะอะไรพอเรารู้แล้วมันเห็นเห็นก็เลยไม่ไปเอา นะแต่ถ้ายัางบอกว่าเห็นเห็นใจมันมีความโกรธอยู่ยังไปเอาอยู่ยังไม่ใช่ผู้ดูธรรมะนะนะถ้าเห็นความโกรธแล้วไม่เอามันถึงจะเป็นถึงเรียกว่าดูธรรมะหรือว่ามีธรรมะจริงๆนะอืมอันเนี้ยเราต้องฝึกอย่างทั้งโอ้เห็นกิเลสเห็นความอยากเออไม่ทําตามความอยากได้อันนั่นแหละค่อยเรียกว่ามีธรรมะถ้าเั้นอยากอยู่ยังทําตามความอยากอยู่ยังไม่ใช่ธรรมะนะ นั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะตั้งแต่ตื่นจนทั้งหลับนะพยายามฝึกหัดตรงนี้ให้เข้าใจความจริงตรงนี้เนาะเมื่อวันหนึ่งเราเจอกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาาสูญเสียจากของรักจากคนรักจากการนะสิ่งที่มากระทบคำดา่าคำชมก็ดีนะมันกระทบนะ แต่ตัวเราสามารถที่จะฝึกให้มันไม่ทุกข์กับมันก็ได้นะเนะี่ยตอนนี้เป็นสิทธิที่เราสามารถทำได้เนาะก็อยากให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นเป็นพระก็ดีเป็นสา ม, มเณรก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีเป็นคราวะญายมก็ดีนะเราพยายามฝึกหัดตรงนี้นะนะใช้วันนี้นะใช้วินาทีนี้แล้วก็ใช้ชีวิตต่ทั้งถึงวันที่เราจะตายเนะี่ย เพื่อฝึกขัดตรงนี้กันนะฝึกขัดตรงนี้กันแต่ถ้าใครมีงานมีการอย่างอื่นทําบ้างก็ทําควบคู่กันไปเลยนะอย่าไปคิดว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเวลาทางโลกให้ดื่มธรรมะไปก่อนคิดแบบนั้นเนี่ยคิดผิดแม้ทํางานทางโลกก็ให้ปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่างน้อยก็ให้มีศีลอย่างน้อยก็ให้มีสมาธิจดจ่อกับการงาน หรือถ้า ง, งานไหนที่ไม่ต้องคิดมากเราก็มีสติกับการทํางานไปด้วยก็ได้นะเอาทั้งเวลาที่เราใช้ชีวิตทางโลกก็ทํางานทางธรรมก็คือพัฒนาจิตใจของเราไปด้วยหรือใครมีโอกาสดีได้อยู่วัดปฏิบัติธรรมได้บวชนะงานทางโลกน้อยน้อยเนี่ยทําเต็มที่เลยครับนะทำเต็มที่ลองทําเต็มที่ดูสักอีกสองเดือนก่อนที่จะออกพัรษาเนี่ย คิดว่าถ้าเราทําเต็มที่อีกสองเดือนเนี่ยได้ได้ผลแน่นอนนะนะโดยเฉพาะเทียนนั่นทาเลยนะว่าคนจริงอะ่ะได้ของจริงนะถ้าเราทําจริงๆรงนะนะโอ้มันมันเรียกว่ามันได้ผลแน่นอนนะมันได้ผลจากตัวเราเองนี่แหละแม้ไม่มีคนอื่นรับรองนะแต่เราก็รับรองผลด้วยตัวของเราเองได้นะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่จริงไม่ต้องรอถึงสองเดือนไม่ต้องรอถึงเจ็ดวันก็ได้นะถ้าทำจริงๆนะมีสติเมื่อไรเนะี่ยความทุกข์ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะเมื่อไรที่เราคิดมากเรามีสติเนะี่ยจะเห็นความคิดมากมันตกลงไปเลยนะอลองดูจริงๆอันนี้แหละคือสิ่งที่ที่อยากเชิญชวนเนาะที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมในวันนี้เนาะก็ถือว่าตัวของผมเองอาตมาเองก็ ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพูดตรงนี้แต่ก็ถ้าพูดก็อยากจะฝากให้เราไม่ประมาทนะให้เราได้มีสตินะให้เราได้ฝึกจิตฝึกใจดูไตรักที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเรานี่แหละเมื่อเราเห็นไตรักที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราบ่อยๆนั่นแหละนะเราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อนั้นชีวิตมันก็จะเดิมเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าอืมไม่ทุกข์ไม่สุข กับอะไรทั้งนั้นนะอยู่กับโลกได้อย่างผู้ที่ไม่กระเทือนนะไม่วันไหวกับสิ่งต่างๆนะแม้่วันไหวไปบ้างก็กลับมาเป็นปกติได้เดวกว่าคนอื่นนะอันนี้เจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพุทธศาสนานะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําให้มันถึงที่สุดแห่งทุกเนาะขอสุดท้ายก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะก็ข อ, ขอให้ได้ จะเดินในศีลสมาธิปัญญ า, นาจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการทุกคนทุกท่านด้วยเทิน